เงนสุดยังไงกันบ้างตอนนี้เงินสุดแบบไหนต้องมาดูกัน ดูนะกลับมาดูไม่ใช่ว่าอะไรเรดีของทางเราก็แท่งกลับมาเห็นว่าคําบมาเห็ น, ว, น, นว่าตอนนี้น่ะภาวะของร่างกายหรือของจิตใจมันแบบไหนนะวัดสังเกตกลับมาดูกลับมาเห็นอะไรทีมีใครสงสัยอะไรแต่สงสัยว่ามันนอนไม่หลับหรื <c oughs> อคิดน่ะ ไม่เมียนะนะคนแต่ก็มันก็มันอาจจะไม่คม่้ยเ็มจำนวนหรอกเชื่องแต่มันยังมีความสงสัยบ้างแต่อันนี้เราอ่านตื่เหมือนวางก่อนวางความสงสัยด้วยกันพยายามเดคิดให้เข้าใจะแต่ก่อนมันก็ตีความสงสัยแต่ก็ไม่ค่อยชอบทานก <c oughs> ็อาจจะไปอ่านบางทีแล้วก็ไปหาอ่าน ในนั้นซื้อในก็ใจดีดกเกิดความเขวาใจแต่ก่อนก็สงสัยคทำแบบเนี้ยมันมีตามคําสอนเขาจะได้เจ้าหรือเปล่าเนาะก็สงสัยนะเราก็ไม่รู้ก็สงสัยก็ไปอ่านหลวงอ๋องหญิงพระอาจารย์บอกเนี่ยมันมีหมวดหนึ่งในสถิติปฐมโนโสดมันมีหมวดเรียกว่าปัญญาราภะก็คือให้รู้สึกตัว แต่ครูปจำท่านอะาจจะตัดแค่ว่าที่สุดท้ายเธอจมีสติขณะที่คู่แขนเข้าเหยียดแขนออกนะเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังนะเดี่ยวซ้ายแรงขวาอะไนะกินดื่มทักทายให้มีสติก็คือว่าอยู่ที่บทแยกคู้แขนเข้าเหยียดแขนออกใหมีสตินุ่งทรงบงทรงจีวรให้มีสตินะสส อ, สตอันนี้ครนะูอาจารย์ท่านก็ไปยุคอีกทีมคู่นะแขนเข้าออก เยียแขนออกวางมือยกมือก็คือแท้เรามีสติเวลาเราทำแบบนี้ยนะก็ไม่หรือเราทําอย่างอื่นฟูแขนมีการเคลื่อนไหวตัดข้าวฟูแขนเข้าเหยียดแขนออกใช่ไหมแรงปานก็คือนะมีมีการเคลื่อนไหวแล้วก็พื้นสึกอันนี้ก็เป็นวิธีแก้รงสัยโดยทฤษฎีโดยทฤษฎีอ๋อ มันไม่ได้กิดตามตำนาไม่ได้กิดตามที่รู้เจ้าท่านไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นพันบัญญัติใหม่เพิ่มเติมไม่มีโดยทักงเเหมือนกันจะเปลี่ยนแค่รูปแบบตางาก็มีรูปแบบสร้างที่เป็นไหวเฉยแต่มันก็เป็นเทคนิคนนเนี่ยเราฝึกตัวเนี้ยหลวงพ่าเจมส์มีเทคนิคคือท่านอยากให้ทาเป็นขนาดเพื่อนหยุดเพื่อให้รู้เป็นพันคือชีวิตจริงเราทีมทิม มันค่ข้างต่อเนื่องแต่ถ้าแต่ตื่นมันจะทาให้เราแค่เป็นตารปอนคิดพิธีถนัดรู้รู้รู้แล้วก็รู้แบบกระชับนะไม่ใช่แบบรู้รู้รู้ไมมันแค่ตามรู้เองมันก็จะตื่นลงไปนะมันจะมันจะตื่นเกินไปเหมือนมันน้อม ถ้าถ้ารู้แบบ ช, ช้ามากเกินไปมันจะมันจะมันจะนิ่งหรือบางทีถ้าไม่นิ่งก็เครียดแล้วก็มันมนันเหมือนต้องกำหนดมากเกินไปแต่ละทําสบายๆรู้แต่บางทีถ้ามันเคยคิดแบะเราจะยืงหยัดก็ทําไปเรินอยๆเจะดืงหยุดเดินนก็เหมือนกันสังเกตนะถ้าเดินเรจะยืงไม่เราจะกลับตัวเข้าไหนก็จะเดินจะเยอื ม, มนะ แต่การยืดก็จะช่วยให้เราแบบดูเตะทั้งเตะทั้แต่บางขณะนะแค่เที่ยวไม่นาจีมันยกเลยนะมันกรีมเผลอไปละแต่เมือมเ่อพอมัหยืดกระตบกนะเราจะรู้ใหม่ได้อันนี้คือเป็นเทคนิคเนะที่ตัวบ่ายาท่านอาจาใช้เพิ่มเป็นขนัเป็นถ น, น, นัไม่ช้าไม่เร็วเกินไปบางทีเร็วก็จะเปิดไปคิดง่ายๆแต่ถ้าช้าเกินไปก็จะเครียดเกินไปมนะแต่ก็รู้จังหวะที่เรารู้สึกมันพอดีกับเรา อาจจะไม่เท่ากันกับสบายมาไม่เท่ากันกับพคแอตุนไม่เท่ากับเพื่อนของเรานะก็ใพมัพอดีกัตัวเองนะแต่ถ้าเดี๋ยวเราจะไปนอนนะีก็อา จ, จเราฝึกเช่นน่ะมือไปเรื่อยฝึกสึกตัวเรื่อยนะแต่หลับมื อ, อไรก็เรงของมันนะึงนิ้วก็ได้แต่เอาแบบหลัแบบตาก็ได้นะ้วตอนนอนนะถ้ามันดูตามันจะไม่มันจะแบบ อาทิมันก็ตื่นไปๆไปตื่นึเอาแบสบายๆขึ้นนิ้วก็ได้หรือเรียนมานะแค่าแบบอานนี้ก็นอนจะดิกท้าไปดิ <c oughs> ้กท้าเล่นไปดัเมื่อไหร่ก็เลยปนะเหรือเราติัวลมหายใจก็ได้นะพอเบาสบายๆดับมื่อไหร่ก็เลยแต่ก็ดีกว่าเราแบบนอนไปแล้วก็คิดนั่นคิดนี่นะนก็คือมันขาดสติตอนก่อนนอนเราคิดแ ต, ต่อไปก็แต่ไปเป็นความฝัน แต่ถ้าเรานอนมีสตินะมันไม่ค่อยคิดเท่าไหร่หรือคิดไปก็สั้นๆถ้ามันจะฝันถ้ามันจะฝันก็ฝันสั้นๆแล้วก็รู้ตัวนะหรือไม่ฝนะันนี่คือเราปื่นแบนี้นะแล้วก็เอาใช้อุปการะเนะี่ยไม่ว่าจะเดินปัดไปเข้าห้องน้ำเดินปัดท่องลองลนะองอาบนะ้ำมันมีสตินะรู้สึกตัว คือสติกบนงทีไม่ใช่แค่เราทำนะมีอย่างอื่นมากระทบเช่นน้ํากระทบตัวเราเราก็รู้สึกได้แต่เก่งบางทีเราทำไมเรารู้สึกสดชื่นล่ะน้อนน้ํามากระทบตัวเราจะสัมผัสกับความรู้สึกนั้นนะหรือเราอยู่ชายทเยาะเลตัวมากระทบโพรเย็นสบายเพราเราอยู่กับสิ่งที่มันกระทบตัวนะั้นเรารู้ตัวใช่ไหมแต่มก็อาจจะ เ, เปดี่ยนไบางที มันจะต่อไปเลยนะโอ้สบายชอบปุงแต่งไปอีกก็ก็ได้นะตอนแรมันสบายมือตัวนปลอยเดียแต่พอเราไม่รู้ตัวมันจะเิดโอ้ชอบนะเ น, นี่ยคือถ้าเรารู้สบายสบายอืมันจะก็ะะทบรู้กรทบรู้อีกรู้ไปเรื่อยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะห้ามว่ามันจะต้องไม่ต้องชอบไม่ได้สุขไม่ได้นะั้นไม่ใช่นะเราก็แค่รู้สึกเหมือนฟัานดาบได้ที่มา ตอนนี้รู้สึกแบบไหนนะรู้สึกสบายเกอรู้สึกว่าสบายรู้สึกประสุนก็รู้สึกกระสุสนะรู้สึกว่าชอบก็รู้สึกว่าชอบแต่รู้แล้วไม่ไปปรุงต่อนะหรือรู้แล้วไม่ต้องห้ามนะห้ามคิดไม่ดีนะนะห้ามคิดห้ามสุขนะนะห้ามสงบนนะไม่ใช่นะถือไม่ห้ามแต่ก็ไม่ตานะมะเทคนิคจริงๆดูเฉยๆอะไรเกิดขึ้นก็แค่ดู แล้วกออ็คือตัวน เ, นเนี้ยเราจะเน้นที่ตัวสติเป็นตัวนำนะในการรู้ตัวกันนะมันจะเป็นเป็นสมาธิตีละครั้งตีละครั้งแต่ถ้ามันจะเกิดผลได้ดีมันก็คืออาศัยความต่อเนื่องนะต่อเนื่องทำใ้มันต่อเนื่องเหมือนเราต้มน้ำเราต้อ ง, อ, งอาศัยไฟที่มันต่อเนื่องนะมันน้ำมันจะเดได้นะอันเนี้ยเราต้องอาศัยความต่อ แต่ความต่อเ น, นื่องไม่ใช่ว่าจะไม่เกลอ น, นะแต่คือเผลอไปแล้วก็กลับมามันจะมันจะไม่ยาวนะถ้าใส่ต่อเนื่องต่อเนื่องทั้งในรูปแบบที่เราทําตอนนี้ต่อเ น, นื่องทั้ง น, นอกรูปแบบที่เราไปทำอย่างอืนะนอนนง่น่ยถ้าใส่ความต่อเนื่องตรงนี้ถ้าใครทําได้ต่อเ น, นื่องนะก็จะเห็นผลได้เร็วแต่ความว่ต่อเ น, นื่องอย่าไปเครียดคือไปทําให้มันรู้สึกสนุกสนุกถ้าเรารู้สึกสนุกเราจะมีความสุขในการทํา แต่ถ้าเราทำแล้วแบบเครียดมันจะเหนื่อยมันจะเบื่อมันจะไม่อยากทําไม่เห็นผลแต่ถ้าเราทําแบบทําใจว่ายทำเรื่องๆสนุกบางทีมันก็ไม่เค่อยสนุกนแบบแรนะแต่ก็ผมยิ้มช่วยนะอย่าบางทีเราก็เผลอเราก็เผลอทำเองไม่เป็นพวกเองเราก็เดินไม่สบายยากเมื้อไม่สบายหายใจไม่สบายมันก็เลยเหนื่อย นะอันนี้เราต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่างี่มาบอกกันแน่ว่ะบางทีมันก็ไม่ค่อยผ่อนคลาย แ, แรกมันเป็นเกรงกลัวกังวลแต่ลองแต่สติมันจะเป็นตัวค่อยเตือนให้ใหเราถึงตัวเองว่าตอนนี้กำลังเก่งถึงไปอตอนนี้กํา ล, ลัง ก, งงกังวลเกินไปตอนนี้หายใจพาดเกินไปตอนนี้คิดแล้วเนยะส ต, ติจะเป็นตัวคเห็นงอันี้แหละ เน่ยมันจะเป็นตัวสะสมความเข้าใจนะเข้าใจทางสายการเนะี่ยมันจะเห็นว่าอ๋อันนี้เอิ่มเกินไปเครียดเกินไปอันนี้ย่อนเกินไปอันนี้เอ่าฟุ้มเกินไปสายการคือตรเ น, นี้พอดีพอดีอดนะไม่ใช่แบบเส้นเดียวเลยนี้นะคือสายตาคือไม่ตึงไม่เครียดนะเหมือนเราว่ายน้ำํำนะมีผู้ เราเคียวไหวกันเทียงนะไม่ได้มองเห็นทั้งนั้นมันเป็นติดุ้ยฟันหนึ่งเราก็ได้กลัดมาติด้วดฟันหนึ่งเราก็ได้กลัดมาหรือเราขับรถอ่ะมันก็จะมีเลนเราออกขวาจะไปชนฝั่งนู้นนะแล้วก็กลับมาเราออกซ้ายจะตกถนนนะตกไหลทางนะแล้วต้องกลัดมาไม่ใช่เราจะต้องมางองตรงเลยแบบตรงอย่างเดียไมันด้เครียดนะใช่ไหมถ้าสบายสบายมันเกินไปมยนจตัวไปเตือนอีกนะ เราเดินก็ดีนั่งกด็ดีใจก็ดีนะเนี่ยให้มันเป็นคนคอยเตือนเองนะอันนี้คือทางสายกลางที่เราฝึกน้ำมันจะค่อยๆเป็นกลามากขึ้นนะท่ามั่นมากขึ้นหรือเพลิดเพก็ตัดมาได้เร็ว น, นะมีลองนะแบบอยากให้ลองทําแบบต่อเ น, นื่องไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่จะช่วยได้นะบางทีเราตั้งใจทําตัวเนี้แต่บางทีตัวที่ทำให้เรา บู้อะหรือว่าตรวจอะคือให้สอวนควาพูดเนาะอะไรที่ไม่จําเป็นต้องพู่คนคุยต้องถามก็ก็ไม่ต้องถามนะไม่ต้องถามนะข้อจากไม่เข้าใจบางอย่างนะก็ถามอาจารยหรือว่าไม่เข้าใจสิ่งของขครืใช้ตอนนี้จะเอาที่ไหนก็ถามเจ้าหน้าที่เหล่านะก็ถามเท่าที่จำเป็นแต่บางที เรามาเป็นเพื่อนฟังางทีว่าคนท่านสนกันนะบางทีว่าดองหานหันกันเท่าไหน่หันหานกันเท่าไหร่มันจะเห็นบางอย่างที่งทีพอเราเบื่อนะอยากเปคุยะมันจะเห็นความเบื่อนะมันจะเห็นตัวเองชัดขึ้นแต่ก่อนเราไม่รู้ทันเบื่อเมื่อไหร่ทาเลยนะเบื่อเมื่อไหร่ก็ไปคุยกับคนอื่นโทรศัพั์ดูนั่นนี่ใช่ไหมบางทีมันจะไม่เห็นแต่พอจะเห็น ก็อยู่แต่อิงได้มากขึ้นเนาะแล้วก็ลองดูมันฝืนในสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะปรับตัวเป็นชินน่าเองแหละลองทำมือเนาะมันมีเวลาแค่ไม่กี่วันก็ทําให้มันต่อเนื่องแล้วการทำนี่ต่อเน่องเนี่ยมันจะเห็นผลไม่ได้ไปติดต่อกับการงานอย่างมื่ไปเดินที่ตลาดมันก็รู้สึกกลัวได้นะไปทําอย่ามื่นมันก็รู้สึกกลัวได้หรือไอ้ลมมันเตื่นนะมันก็ โดยไม่ต้องตั้งใจนะอย่ น, นี้ยมกพิยมลองทำอันนี้แหละคือที่โครงกงรสอนไว้นนะแล้วก็ลองพิสูจน์ดูนะ